ต่อไปนี้พวกเราจะมาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนอันประเสริฐของพระบรมศาสดาพระอับบรหันตะสมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้มีความฉลาดแหลมคม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 แบบชั่วกราวแบบเป็นเป็นครั้งเป็นคราวไปแต่จะไม่สามารถที่จะทำลายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกให้หายไปหมดได้ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพื่อการบุดพ้นจากความทุกข์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 พระอรยสง์สารวกที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์จึงมีทุกเพศทุกวัยมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งนักบวชมีทั้งคารวาสเพราะการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์การปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยนั่นเองแต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติสประการคือหนึ่งสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติปฏิบัติดี 2. อ, อุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายาปฏิปันโน ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์สามีจิตปฏิปโนปฏิบัติอย่างถูกต้องนี่คือเหตุที่จะทำให้ผลปรากฏขึ้นมาผลก็คือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจัดเป็นสีคู่ด้วยกันคือคู่ที่หนึ่งมรรค ผลคู่ที่หนึ่งก็คือโสดามปฏิมัติโสดาปฏิผลคู่ที่สองก็คือสกิดาคามีมัติสกิดาคามีผลคู่ที่สมก็คืออนาคามีมัติอนาคามีผลและคู่ที่สี่คืออรหัตตมัติอรหัตผลพอได้บรรลุอรหัตผล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 ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับการดับไฟที่เราติดไว้ในบ้านเวลาเราไม่ต้องการจะใช้ไฟเราก็ปิดไฟแต่ละดวงึมีไฟอยู่สี่ดวงเราก็เดินไปปิดทีละดวงดวงที่หนึ่งดวงที่สองดวงที่สามดวงที่สี่พอปิดหมดมันก็จะมืดสนิทชั้นใด ความทุกข์ก็จะหมดไปอย่างเต็มที่ในขั้นที่ส่ขั้นของพระอา ร, าอาราหาันตผลนี่คือสิ่งที่ผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อและมีความสามารถที่จะปฏิบัติ ต, ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า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 ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่จะไปเกิดเป็นพรหมส่วนพระอรหันต์ขั้นที่สี่ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในตาภพเลยไม่ว่าแม้แต่สวรรค์ชั้นพรหมก็ไม่ต้องกลับมาเกิดนี่คือความประเสริฐผลอันประเสริฐ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 อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเพราะนี่คือหลักของเหตุของผลนั่นเองผลย่อมเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุก็จะมีผลตามมาเหมือนกับการปลูกผลไม้ต่างๆถ้าเราปลูกส้มเราก็จะได้ต้นส้มได้ผลส้ม ปลูกข้าวก็จะได้ต้นข้าวได้โรงข้าวปลูกอะไรก็จะได้ผลอย่างนั้นผลจะเกิดขึ้นก็เกิดจากการที่เราปฏิบัติเหตุที่จะทำให้เกิดขึ้นนั่นเองเหตุที่จะทำให้มรรคผล น, ผนิพพานเกิดขึ้นเรียกว่ามรรคแปดมรรคที่มีองค์แปด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 สัมมาวายามโมความเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติความเมตตรู้ที่ถูกต้องสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องนี่คือเหตุที่จะทำให้ผลคือมรรคผลนิพพาน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 คือกามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาและการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องระ ง, งับเหตุทั้งสามนี้สิ่งที่จะระ ง, งับเหตุทั้งสามนี้ได้ก็คือมรรคที่มีองค์แปดนี้เองนี่คือเรียกว่าความเห็นที่ถูกต้อง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 เสพสัมผัสกันอยู่ดาบใดที่เรายังมีความยินดีมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์อยู่ดาบนั้นเราก็ยังต้องมาหาร่างกายเพื่อจะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายอยู่เมื่อต้องใช้ร่างกาย พอร่างกายอันนี้หมดสภาพไปความอยากในการในรูปเสียงกล็ดโนตโภธภะก็จะดึงเราไปให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่มาเราก็ต้องมาทุกขกับการเลี้ยงดูร่างกายมาทุกขกับการแก่ของร่างกาย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 นี่คือผลที่เกิดจากการมีความอยากในกรรมคุณทั้งห้าคือการมตัณหาเช่นเดียวกับความอยากมีอยากเป็นภาวะตัณหาเราก็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเหมือนกันถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถที่จะมาแสวงหาราบยศเสริญ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 ทำหน้าที่ของมันได้เราก็อยากจะหนีจากร่างกายอันนี้ไปเพื่อเราจะได้ไปหาร่างกายอันใหม่อันนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาเช่นคนที่ข่าตัวตายนี้ก็เป็นผลจากวิภาวะตัณหาเวลาที่สูญเสียสิ่งต่างๆไป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 โลกของร่างกายนี้เป็นโลกของอนิจจังคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาพอไปเจอความเสื่อมเจอความสูญเสียอีกก็จะฆ่าตัวตาย ก, ก็จะทำไปติดเป็นนิสัยไปทุกภพกทุกชาติเวลามาเกิดเป็นมนุษย์และด้านหน้าพบกับปัญหา ทุกข์าล บ, บากก็จะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นความทุกข์อย่างนะอย่างยิ่งใหญ่เพราะไม่มีใครอยากจะฆ่าตัวตายกันแต่ถ้าถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายก็แสดงว่ามันต้องทุกข์มากมากจนทนอยู่ไม่ได้นี่คือ ต้นเหตุของการที่จะทำให้จิตต้องไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่ก็คือตันหาทั้งสามนี้กามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาถ้าต้องการที่จะหยุดการไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ก็จาเป็นจะต้อง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 ด้วยการบาเพ็ญมักใช้มักมาช่วยระงับความทุกข์ได้นี่คือขั้นแรกสิ่งแรกที่เราควรจะมีความเข้าใจเ่ยก็คือทุกของเราเกิดจากความอยากของเราและการดับความทุกของเราต้องดับที่ความอยากถ้าเราทำได้ ความทุกข์ก็จะหมดไปแต่อยากไปทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากจะต่ออายุ ข, ของความทุกข์ให้ยาวออกไปเช่นเรามีความทุกข์กับการอยากจะดื่มสุรานเวลาอยากดื่มสุรานี้ถ้าไม่ได้ดืม่มจะมีความรู้สึกหมุดหยียดนำคาญใจทุกทรมานใจ พอไปทําตามความอยากไปดืม่มโซราความทุกข์ความหงุดหงิดนาคาญใจก็จะหายไปแต่เป็นการหายชั่วคราวพอหลังจากนั้นก็จะเกิดความอยากดื่มโุราขึ้นมาใหม่ก็ต้องเกิดอาการหงุดหงิดเกิดความทุกข์นำคาญใจขึ้นมาใหม่แล้วถ้าไปทําตามความอยากอีกมันก็จะต่อ อายุของความทุกข์ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเวลาที่เราเกิดความอยากเดืนโลาและเรารู้ว่าความอยากนี้ทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราหงุดหงิดลำคาญใจเราก็ฝืนอยากไปทำตามถ้าเราฝืนได้พอความอยากนี้สงบตัวลง ความทุกข์ความหงุดหงิดน้ำคานใจก็สงบตัวลงไปเพราะเป็นผลที่เกิดจากความอยากนั่นเองความอยากทําให้หงุดหงิดใจพอความอยากนั้นสงบตัวลงความหงุดหงิดใจก็จะสงบตัวลงนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องให้เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยาก วิธีที่จะแก้วความทุกข์ก็คือต้องหยุดความอยากเมื่อเรามีความเห็นอย่างนี้แล้วความคิดของเราคือสัมมาสังกปร์เราก็จะคิดแบบนี้เวลาเกิดความทุกข์อยากจะดื่มสุราเราก็ฝืนจะไม่ดื่มสุรายอมยอม ยอมทนกับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากสู้กันไปสักระยะหนึ่งพอความอยากรู้ว่ามันไม่มีวันที่จะได้เดิมสุรามันก็จะหยุดเองพอมันหยุดแล้วความทุกข์ก็จะหายไปนี่คือความคิดที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องก็คือเราต้องไม่เดิมสุรา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 คูครองก็อยากไปมีเพราะนี่ก็เป็นการทําตามความอยากการมตัญหาเวลาอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็อยากไปทําตามอยากไปเป็นสอส อ, อยากจะไปเป็นรัฐมนตรีอยากไปเป็นนายกอยากจะเป็นอะไรต่างๆก็อยากไปทําตามเพราะมันจะพาให้เราไปสู่ความทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุด เพราะความอยากมันไม่ได้หยุดตรงที่เราได้สิ่งที่เราอยากได้ตอนต้นเราก็อยากเป็นสสพอได้เป็นสสก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีพอเป็นรัฐมนตรีก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีพอเป็นนายกรัฐมนตรีก็อยากจะเป็นหลายหลายครั้งหลายๆลรอบมันก็จะผลักดันให้เราต้องไปวิ่งไปวิ่งเต้นไปต่อสู้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 เมืนเป็นการได้ความทุกข์มาโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้มาแล้วก็ต้องมีความหวงมีความห่วงเวลาแฟนไปคูดไปคุยกับใครก็ไม่สบายใจเวลาไม่เห็นหน้าแฟนก็มีความวิตกขวังใหญ่แล้วเวลาที่จากกันไปก็เศร้าโศกเสียใจ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 นี่คือให้ปฏิบัติแบบนี้อย่าไปทําตามความอยากอย่าไปพูดตามความอยากอย่าไปมีอาชีพที่ตอบสนองความอยากต่างๆอย่าไปทามาค้าขายหาเงินหาทองหาข้าวหาของของพวกนี้เป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขามมาทำอาชีพ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 ทำลายต่อสู้กับความอยากทุกรูปแบบที่มีอยู่ภายในใจเป็นอาชีที่จะสามารถทําลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาราหนปสาวกทั้งหลายท่านเป็นนักบวชทั้งนั้นมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเอง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 ทำลายตัณหาความอยากต่างๆนี่เรียกว่าสัมมาอาชีวะอาชีพที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นอาชีพของนักบวชสัมมาวายาโมวความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องก็คือหมั่นเพียรที่จะสร้างเครื่องมือที่จะมาใช้ในการทำลายกิเลตันหานี่เองสร้างมรรคแปดขึ้นมา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 เราก็จะสามารถทำลายศัตรูให้หมดไปได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ทำลายท่านก็ใช้มากแปดนี้เป็นเครื่องมือทำลายตันหาทั้งสามนี้พอไม่มีตันหาทั้งสามนี้หลงเหลืออยู่ภายในใจใจของท่านก็เป็นบริสุทธิพุโทโธขึ้นมา เป็นปรมังสุ g s u k h ขึ้นมาเป็นใจที่สะอาดบริรรสุทธิ์ปราศจากเชื่อของภพชาติคือตันหาไม่มีตันหาตัวใดที่จะมาฉุดลากให้ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายไปเกิดใหม่ได้อีกแล้วไม่มีอะไรที่จะดึงให้ไปหา่างิกายอันใหม่มา ใช้เป็นเครื่องมือในการทําตามความอยากเพราะไม่มีความอยากจะทําอะไรแล้วเพราะเห็นโทษของความอยากอย่างชัดเจนว่าเป็นต้นเหตุของภพของชาติเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจที่ไม่มีวันสุดไม่มีวันสิน้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาตัดสรู้มาพบความจริงอันนี้ ความอยากของพวกเหล่านี้มันจะขยายตัวไปเรื่อยๆมีคำพูดที่พูดไว้ว่ า, าทะเลมหาสมุทรนี้จะยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังมีขอบมีฝัง่งแต่ตันหาความอยากนี้มันไม่มีขอบไม่มีฝัง่งมันกว้างใหญ่ไพศาลกว่ามหาสมุทร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 เป็นในร้อยก็อยากจะเป็นในพันเป็นในพันก็อยากจะเป็นในพลอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตามได้มีความอยากตามนั้นก็จะมีความวุ่นวายใจความกังวลกวายใจความกระสับกระส่ายความวิตกความกังวลความเศร้าโศกเสียใจที่จะตามมา จากการมีความอยากเหล่านี้นี่คือภัยของความอยากที่ไม่มีใครเห็นนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวศัสตร์โลกทั้งหลายนี้ไม่เห็นโทษของความอยากแต่กลับเห็นความอยากเป็นคุณเพราะถ้าไม่มีความอยากเขาคิดว่าโลกจะเจริญได้อย่างไรเขาเห็นความเจริญของทางโลกนี้ จเจริญด้วยความอยากโลกเราทุกวันนี้มีข้าวของมากมายกายกองมีสินค้ามากมายกายกองมีตึกหลานบ้านช่องมีถนนหนทางมีอะไรมากมายก่ายกองก็เป็นผลที่เกิดจากความอยากเขาก็เลยคิดว่าความอยากนี้เป็นตัวที่กดดันให้มีความจเจริญกันเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่ไม่มีอะไร กับสมัยนี้เขาก็เห็นคุณของความอยากว่าความอยากทำให้เขาได้สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแต่เขาไม่ได้ดูที่ใจของคนที่มีความอยากว่าเป็นอย่างไรใจที่มีความอยากนี้มีอะไรมากมายกายกองแล้วมีความสุขไ้ยมีความสงบัหมหาความสงบไม่มีมีแต่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 เขาจะสุขหรือเขาจะทุกข์ส่วนคนที่ไม่เสพ ย, ยาเป็นอย่างไรเวลาไม่มียาให้เสพเขาสุขหรือทุกข์เขาเดือดร้อนหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องพิจารณากันเราถึงจะเห็นโทษของความอยากของความติดกับสิ่งต่างๆว่ามันเป็นโทษมันเป็นภัยต่อจิตใจ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 หรือจะได้ร่างกายของเดลฉานหรือจะได้เป็นเปรตเป็นอสุลกายเป็นนรกหรือจะได้เป็นเทพ ไ, ได้เป็นพรหมได้เป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำกันบุญก็คือการทำตามมรรคแปดนั่นเองถ้าปฏิบัติมรรคแปดได้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างบุญ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 เพราะถ้าเรารู้ว่ามรรคแปดเป็นอะไรและเราต้องปฏิบัติอย่างไรเราพอเอาไปปฏิบัติเราก็จะปฏิบัติได้พอปฏิบัติได้เราก็จะกําจัดความอยากต่างๆภายในใจของเราให้หมดไปได้พอไม่มีความอยากอยู่ภายในใจก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีภพชาติ ที่จะตามมาอีกต่อไปแต่ถ้าเรายังไม่สามารถปฏิบัติตามมากแปดได้เราก็ยังต้องไปเสี่ยงภัยกับการไปเกิดเป็นอะไรต่างๆขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราว่าห่างไกลจากมากแปดมากน้อยเพียงไรถ้าห่างมากก็แสดงว่าทําบาปมาก ถ้าห่างน้อยก็ทํำบาปน้อยผลก็จะมีแบ่งเป็นสองส่วนคืออบายกับสุขติเป็นที่ไปของผู้ปฏิบัติผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมรรคแปก็จะไปอบายเป็นส่วนใหญ่ผู้ที่ปฏิบัติตามมรรคแดได้ก็จะไปสู่สุขติไปตามขั้นตอนต่างๆของมรรคแปดที่ได้กระทํา ทำลายความอยากได้มากน้อยเพียงไรก็จะได้ผลในสุคติมากน้อยเพียงนั้นทำลายความอยากได้น้อยก็ไปขั้นเท่ก่อนทำลายความอยากได้มากกว่านั้นก็ไปขั้นผมทำลายความอยากได้ถาวรก็ไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้า พอได้ทำลายถึงทำลายหมดไปแล้วก็จะถึงพนานิพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้ายังปฏิบัติมากแปดไม่ได้หรือปฏิบัติได้น้อยก็มีโอกาสที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรจานเป็นเปรตเป็นนสุรกายเป็นนรก แล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาบําเพ็ญใหม่แต่การกลับมาเกิดมนุษย์นี้ในแต่ละครั้งไม่ได้หมายความว่าจะมีมรรคแปดนำทางเราเสมอไปเพราะว่าพระพุทธศาสนาที่สอนมรรคแปดนี้ไม่ได้มีอยู่กับโลกนี้ไปตลอดสาหรับมั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 กลับขึ้นมาดังที่มีการพูดไว้ว่าสมาธินี้เป็นเหมือนหินทับยา้ายาก็คือตันหาความอยากสมาธินี้ก็จะเป็นเหมือนหินเวลาหินทับย้าเอาไว้ยาก็จะงอกงามขึ้นมาไม่ได้แต่เวลายกหินออกไปเดี๋ยวะยะไม่นานย้าก็จะงอกกลับขึ้นมาใหม่ได้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 ตอนนี้พวกเราถือว่ามีโชคมาอาศาสได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบทางที่จะนำพาไปสู่การดับทุกข์ทางที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดถ้าพวกเราไม่ไปขึ้นรางวัลก็ช่วยไม่ได้มีถูกอตเดอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่มันยังเป็นเพียงกระดาษใบเดียวเท่านั้นเอง ถ้าไม่ไปขึ้นรางวัลก็จะไม่ได้เงินล้านมาฉันใดถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วไม่มีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่พูดเจ้าทรงสั่งสอนไว้ก็จะไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่ได้หลุดพ้นจากกองทุกจะไม่ได้พบกับความสุขที่ความสุขอันยิ่งใหญ่ คือปรามังสุขขังบร ม, มสุขอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะไปขึ้นรางวัล น, นี้หรือไม่ถ้าอยากจะขึ้นรางวัลก็ต้องไปบวชกันไปมีสัมมาอาชิโกะบวชไปปฏิบัติธรรมกันเพราะว่าผู้ที่จะขึ้นรางวัลที่เหน่ง น, นี้ส่วนใหญ่จะต้องเป็นนักบวชทั้งนั้น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 หลุดพ้นจากกองทุกทางที่จะพาให้เราไปสู่บรลมรสุขคือความสุขอันยิ่งใหญ่นี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติ ไว้เพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาให้พอ่อนยะถาวาเลยวาหาปุราปาริปุเรนติสากการังเอวะเมวะอิโตทินงังเปตานังอุปปกักปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโตปนะราโสยทธามณิโชติอรโสยทธาสพีติโยวิวัจจันตุสภะโรโควินัสตุมาเตภวทวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีฤจะนิจังวุฒาปจายโน จตารธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลต่อไปนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ท่านที่อยากจะถามปัญหา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 โยมมีถามเรื่องหนึง่งอย่างเช่นนาของโยมใช่คะท่านห่งเป็นคนรักบ้านมากห่วงบ้านแล้วก็มีสมบัติพอสมควรที่นีน้เวลาท่านไปโรงยบาลเวลาดับเนี่ยก็ดับโดยกระทันหันคือเป็นโรคไอเส้นเลือดอะไรเงี้ยกระดับกระทันหันในขณะจิตที่จะดับเนี่ยก็ไปติดพันอยู่กับบ้าน แล้ววันนี้ครบรอบร้อยกวันแล้วแต่โยม้าไปบ้านท่านทีไล mm. ก็มีความรู้สึกว่าท่านยังอยู่ในบ้าน mm. ไม่ยอมไปเกิดอย่างนี้จะมีวิธียังไงที่เราจะทาให้ท่านไปเกิดละจากบ้านหลังนี้ไปได้คะเดี๋ยวถึงเวลาท่านก็ไปเองนะเพราะว่ามันเป็นความผูกพันชั่วระยะหนึ่งแต่พอรู้ว่าไม่สามารถที่จะ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 เพราะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถกลับมาหาสิ่งที่เขารักเขาห่วงได้แล้วเขาก็ต้องไปหาสิ่งใหม่ต่อไปเราทำอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องของวิบากดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำใจของเราให้ยอมรับกฎแห่งกรรมไปที่พระเจ้าทรงสอนให้เราเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่า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 มากกว่าเก่าแล้วก็เกิดบ้าตอนนี้เขามีชีวิตอยู่เขาไม่ค่อยได้ทำบุญทำกานเท่าไหร่ทำน้อยแล้วขนาด น, นี้เราได้ทำบุญให้เขาไ ป, ไปบ่อยๆเป็นประจำที่บุญตัวนี้เขาจะได้รับไหมคะท่านบุญที่เราทำให้เขาถ้าเขารออยู่เขาก็จะได้รับแต่มันเป็นบุญแบบที่เราให้กับขอทานเงินให้ขอทานคือบุญอุทิศนี้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 เวลาไปเจอสารพระภูมิหรือเจอรูปปั้นเทวดาหรือพระพุทธรูปมันก็ไหว้แต่พอหลังจากที่มาภาวนาค่ะพอเห็นสารพระภูมิเห็นรูปปั้นเห็นอะไรอย่างนี้แล้วจิตมันก็รู้สึกว่าเฉยๆมันเฉยมากจนกระทั่งตัวเองมารู้สึกตัวเองว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนเดิมก็มีจิตอีกตัวหนึ่งสั่งมาบอกว่าถ้ารูปปั้นเทวดาอะไรเนี้ยไม่ไม่อยากไหว้หรือเฉยๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นพระพุทธรูปอะขอหน่อยไหยว้หน่อยก็แล้วกันก็เลยอยากทราบว่า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 มีคำถามมันเดียวเลยมีใครอยากถามอะไรไหมข้อที่สองค่ะ น, นี้ข้อสุดท้ายค่ะเคยอ่านหนังสือค่ะแล้วก็ได้ในหนังสือค่ะก็บอกว่าเรื่องของอการฝึกภาวนาแบบสติปัฏฐานนะคะจะช่วยให้แก้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 เวลาที่เราเสื่อมก็ถ้าไม่ได้เสื่อมด้วยกฎของธรรมชาติก็เสื่อมด้วยกฎแห่งกรรมแล้วก็ไม่มีใครไปแก้ไปเปลี่ยนมันได้อยู่ดีฉะนั้นผู้ที่มีผู้ที่จะริญนสติปัฏฐานเมื่อจะมีปัญญาเห็นกฎของกรรมและกฎของธรรมชาติก็จะไม่ต้องไปทำประกอบพิธีกรรมอะไรต่าง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 คราวหน้าเวลาเราทำเราจะได้ทำเหมือนเดิมได้เท่านั้นเองหมายควา ม, มอย่างนั้นเช่นเราทำกับข้าวอาหารจานเด็กจานนี้กินแล้วอร่อยต้องจำไว้ถ้าจำไม่ได้ก็จดไว้ใช่จดสูตรไว้ว่าต้องใส่น้ำตาลกี่ช้อนน้ำปลากี่ช้อนใส่อะไรไปอย่างไรนี่คือการจดจำเวลาจิตนั่งจิตนั่งสมาธิจิตสงบก็ให้สังเกตว่ามันสงบได้อย่างไร เพราะสติของเราต่อเนื่องใช่ไหยจิตของเราไม่แวบไปคิดเรนะื่องนั้นเรื่องนี้จิตเราอยู่กับอารมณ์เดียวได้อย่างต่อเนื่องเนี่าก็ข้าตัวเองให้จําวิธีการที่เรานั่งแล้วทําให้จิตของเราสงบอ๋อแ้วค่ะแล้วก็เอาไปข่าต่อไปเวลานั่งเราก็ทําแบบเดิมอย่าไปทําแบบผิดก็คือนั่งปั๊บก็อยากจะให้เกิดผลเหมือนข่าวที่แล้วท่านอย่างนี้จะไม่เกิด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 พอแล้ววันนี้อะไรเงี้ยนะคะก็อย่าไปนับรอบพยายามสวนไปให้เรื่อยๆจนกว่าจะสว น, นไม่ไหวแล้วค่อยหยุด ก, ก็แล้วค่นสะไม่งั้นมันจะเป็นการเ อ, อมันจะทำให้จิตเราวอกแวกฟุ้งไปแทนที่จะมีใจจดจ่ออยู่การสวนก็นมานะคิดอนนี้รอบที่เท่าไหร่แล้ว7จสห้าเป็เจ็ดส่ค่ะเจ้ค่ะสาธุเจ้าค่ะดูถ้าเราลองลองตั้งเวลาดูว่ารอยอบนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ลอง ลองใช้เวลาแทนก็ได้ว่าถ้าร้อยรอบต้องใช้ยี่สิบนาทีก็เราก็เราก็ตั้งมันยี่สิบนาทีแล้วก็สวดมันไปจนกว่านาฬิกามันจะร้องขึ้นมาแล้วก็หยุดสวด <c oughs> แต่ระวังอย่าไปคอยนั่งจ้องดูที่นาฬิกาเออเมื่อไหร่มันจะดังตั้งีว่า <c oughs> <c oughs> พระอาจารย์ครับเคยใช้วิธีนี้ครับเหมือนสวด กี่รอบนี้่ยครับเราก็ใช้สติจดจออยู่กับจํานวนรอบแต่ถ้าเกิดมันมั่วขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เริ่มนักหนึ่งใหม่เลยอย่เงี้ยครับอาจารย์อวิธีไหนก็ได้ความจริงมันเป็ดูใบเพื่อให้ไม่ให้เราไปคิดเรื่องราวต่างต่างนั้นเองให้เราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเรื่องเดียวแล้วใจมันก็จะว่างจะเย็นจะสบายแล้วก็จะรวมเข้าสู่ความสงบถามมาครับต่อไปเป็นคําถามจากทาง facebook พระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับ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 ท่านได้พ้นจากทุกทั้งปวงแล้วจึงทําให้เกิดสมนัตและเกิดการยิ้มขึ้นการยิ้มด้วยอาการเช่นนี้เกิดได้ด้วยหาฟิตุ ป, ปาทจิตอะไรนะครับ <c oughs> การหัวเลาะและการยิ้มโดยทั่วไป <c oughs> เกิดจากจิตหลายประเภทบุคคลที่ไม่ใช่พระอรหรันย่อมหัวเลาะหรือยิ้มด้วยโรคมูลจิตที่เป็นสมนัต หรือมหากุศลจิตที่เป็นสมนัตพระอาหารหันต์ท่านไม่มีกิเลสแล้วจึงไม่มีเหตุที่ทาให้ท่านหัวเราะอย่างมากก็เพียงแค่ยิ้มเท่านั้นขณะที่พระอาหารหันต์ยิ้มนั้นท่านอาจอาจยิ้มด้วยมหากิริยาจิตที่เป็นสมนัตหรื อ, อสีตุ ป, ปาตาจิตซึ่งเป็น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 เราได้ยินได้ฟังอะไรมาเราก็อย่าเพิ่งไปเชื่อแล้ว อ, อย่าเพิ่งไปปฏิเสธให้เราพิสูจน์ให้เห็นชัดก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่จริงแล้วแล้วมีข้อย่อยอีกหน่อยครับอาจารย์ที่เขาเขียนไว้ว่าการยิ้มและการหัวเราะย่อมเกิดจากบุคคลทั้งหลายในลักษณะที่แตกต่างกันในกัมพีของกัมพีอลังการจําแนกไว้าหกอย่างคือฝีปะ ยิ้มอยู่บนใบหน้าไม่เห็นลายฟันเป็นพระอาการยิ้มของพระพุทธเจ้าอก็ว่าไปอ่านแล้วมาให้พระอาจารย์ตอบดีกว่าเราไม่ตอบก็คำสาบไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ให้ปฏิบัติไปเถิดให้จิตเป็นอรหันต์แล้วมันก็จะรู้เองถ้าไม่ปฏิบตัติมันก็เป็นเหมือนกับพวกตาบอดคําช่างอ่ะ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 วันนี้มีคำถามเพียงเล็กน้อยน ะ, นะโอเคแต่วันนี้ใครมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็อ่ามียกมื อ, อเชิญเข้ามาหน่อยได้ไหมครับน้อมสการะคุณเจ้านะคะคืออยากจะถามถึงวิธีการวางใจหรือวางตนอย่างไรในการที่เราจะถูกคำติชินนินทา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 ใจเราก็จะเป็นกลางจะสักแต่ว่าได้ยินใจจะไม่มีปฏิกิริยาไม่ดีใจไม่เสียใจต่อาการสัมผสัสรับรู้ทางอายตนะดั <c oughs> นั้นต้องพยายามปฏิบัติจเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วต้องคอยสอนใจว่าสเพธรรมานาตตาอยู่เรื่อยๆทำทั้งปวงเป็นอนาตตาเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนเสียงลมเหมือนลมแดดดินฟ้าอากาศ